มาเข้ปาปฏิสามิธาน่ะนะเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าหน้าห้าสิบสามนะเพราะว่าเรียนผ่านไปห้ายานแล้วนะห้ายา น, นาละทวนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสุตามี ย, ยานสองสีลามี ย, ยานสามสมาธิภาวนามายายานสี่ธรรมธทิติยานหรือปัจญาปริกหายานห้า สัมมาสนาญาณสัมมาสนาแปลว่าการพิจารณาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหรือพิจารณาขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีทใต้ใจเนี่ยโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็คําว่าไม่เที่ยงนี้หมายถึงว่าความสิน้นไปเสื่อมไปโดยลักษณะนี่นะคำว่าเป็นทุกก็คือความเป็นทุกขโดยลักษณะ ความเป็นอนัตตก็คือโดยปัจจัยว่าปัจจัยกับปัจจัยกับปัจยุ บ, บันทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยซึ่งไม่ได้มีผู้ใดมีอํานาจอย่างแท้จริงคงควงคอทรงจําได้นะเมื่อกี้โดยปัจจัยกับโดยขณะการรู้อ น, นิจจังคือรู้โดยขณะรู้ทุกขังก็รู้โดยขณะคือรู้ตัวปัจจยุ บ, บันะนะส่วนอนัตตาเนี่ยรู้ที่ปัจจัย ว, ว่าปัจจยุ บ, บันทั้งหลายเป็นไปตาม ปัจจัยซึ่งไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้าครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ารู้โดยขณะนี้รู้อย่างไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เข้าใจอย่างนี้ว่าจะต้องรู้โดยขณะซึ่งตอนที่เรียนวิถีจิตเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าจะต้องรู้วิถีจิตแต่และดวงแต่และขณะถ้าเรียนเรื่องหัวรูปกระลาบก็ต้องรู้เป็นกระลาบแยกแยะ ก, กันได้ อันนี้รู้ยังไงโดยความเข้าใจจากการไข่ครวนหรือว่าโดยเข้าไปเห็นขณะที่มันเกิดอับเกิดดับจริงๆเหมือนกับไฟกระพริบอะไรอย่างเง้ยหรือเปล่าเธอืมถวันไหนโทรศัพท์พที่เคลื่อนไม่ค่อยดีวันนั้นเห็นเกิดดับมากเลยนะเทปที่รับวิทยุติดบบนดับเ น, น, นี่ย น, นะเสียงแทรกซึ้งซ่าๆอันนี้จะเกิดดับชัดมากหรือไปดูไฟที่มันกระพริบนะนะร้านอาหารทั้งหลายแหละที่ปิดกระพริบกระพริบนั่นนะเกิดดับไม่ใช่ คือคำว่าเกิดดับในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มพิจารณาโดยอัตตานะโดยอัตตาก่อนนะอัตตาก็คือโดยพบชาติสองโดยสมัยเริ่มย่อมาชีวิตแต่และสมัยแต่และสมัยตามวัยต่างๆแล้วก็ย่อลงมาอีกก็คือโดยสัน ต, ตินี่นะโดยสัน ต, ติซึ่งเบื้องลึกของทุกๆสัน ต, ติก็คือขณะนั่นเองนะนะทุกๆสัน ต, ติก็คือขณะในเบื้องลึกแต่ว่าการเห็นขณะนี้ อต้องเห็นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไอ้ช่วงจากสันตติหนึ่งไปสันตติหนึ่งก็มีขณะเป็นตัวขั้นอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่จะเห็นขณนะนี่จะต้องเห็นทุกขณะเลยไหมอันนี้คนที่จะเห็นทุกขณะก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, น, านั่นแหละเนี่นะคือการเห็นโดยเฉพาะเห็นโดยขณะเนี่ยนกะ็สําคัญที่สุดคือเห็นโดยปัจจัยก่อนคือตัวปัจจัยกับปัจจยุ บ, บันเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน ต้องต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะอโดยปัจจัยกับโดยถนะัอโดยถนัก็คืออะไรคือกรรมมัชรูปกรรมมัชรูปคืออะไรคือตาหูจมูกเลนกายอะไรอกเบื้องหลังของตาหูจมูกเลนกายน้ะที่เป็นกรรมคือชีวิตรูปภาวะรูปอะไร อาทยะรูปอันนี้รูปในร่างกายที่เป็นผลของกรรมถ้ากล่าวอุปาทายรูปเหล่านี้แล้วเท่ากับกล่าวอะไรมหาปูตา ร, รูปแล้วโดยลักษณะาหานนะเท่ากับกล่าวล้ะเพราะว่าตาเนี่ยอยู่โดยปราศจากมหาพูดไม่ได้หูอยู่ปราศจากมหาพูดไม่ได้ทีนี้ในส่วนของกรรมมชรูปอย่างนี้แล้วรูปเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยอะไร เจริญเติบโตก็ด้วยอาหารชรูปเ่็นไหมอุตุชรูปและจิตตะชรูปพวกนี้เน้นเน้นตัวกรรมมาเชรูปก่อนนะโตโดยขณะเพราะว่าที่เกิดคำว่าเกิดก็คือขณะที่กรรมมาชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เจริญไปเรื่อยๆโดยลําดับใช่ไหมถ้าเปรียบเหมือนยอดเขานะขึ้นถึงยอดเขาแล้วก็ลงนีกหาลงถึงที่สุดนี่ยเรียกว่าดับดับโดยสิ้นชง หมายถึงว่าเกิดก็คือปฏิสนธิดับก็คือจุติที่เรียกว่าแบบโดยโดยสิ้นเชิงทีนี้เกิดดับเหล่านี้ก็มาแบ่งโดยอะไรโดยโดยสมัยโดยสันตติสืบ เ, เนื่องกันมาเรื่อยๆสันตติของกรรมมันรูปเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาอาหารชรูปอุตูชรูปจิตตะสรูปเป็นเป็นเครื่องวัดเนะเพราะว่าชีวิตโดยเฉพาะท่านยกชีวิตว่าชีวิตทั้งหลายเนื่องด้วยมหาพูดชีวิตเนื่องด้วย อาหารชรูปเนื่องด้วยอุตุเชรูปเนื่องด้วยจิตแต่ชรูปแล้วก็เนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยจิตเป็นต้นเนี่ยนะนั้นชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างนี้อันนี้ปัจจัยที่สำคัญสาคัญของวัตตะเนี่ยนะตัววัตตาที่ที่เป็นไปเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องกรรมและผลของกรรมก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นต้นส่วนอาหารชรูปนะเป็นการหาเอาให ม, าม่เพิ่มเติมที่ที่มีอยู่เนี่ย เนี่ยโดยปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยที่ทําให้กรร ม, มชรูปเกิดขึ้นชัดก็คืออวิชชาคนเข่าผู้ไม่รู้สัจธรรมต้องตายแล้วตายเล่าลเกิดแล้วเกิดเล่าโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็เพราะอาวิชชาเกิดนั่นแหละตาหูจมูกเลนตายชีวิตภาวะไทัยจึงเกิดขึ้นจึงไปสร้างมหาภูตรูปเหล่านี้เกิดขึ้นทีนี้ตัวตันหาเป็นตัวกําหนดตัวกําหนดรูปว่าถ้าตันหาชอบสี สร้างตาตันหาชอบเสียงสร้างหูตันหาชอบเลี่นสร้างจมูกตันหาชอบสร้างลิ้นอร่อยไหมเมื่อกี้ก็ไม่ไม่รังเกียจนะเนร่ยตันหาในรถสร้างลิ้นตันหาในโพธาภะสร้างกายตันหาในธรรมะสร้างพวกชีวิตเป็นต้นนะเนี่ตันหาในเพศสร้างภาวะรูปตัวนี้ก็ตันหานั่ยแหละเป็นปัจจัยสร้างกรรมชรูปเหล่านี้ แต่กรรมชรูปเหล่านี้ก็แบ่งไปตามคติใช่ไหมเช่นอบายมนุษย์เทวดาพรหมอะไรเป็นตัวกําหนดกรรมเป็นตัวกําหนดเห็นไนะอบายคืออากุศลเจตนาสิบสองกำหนดมนุษย์กับเทวดามหากุศลแปดกำหนดพรมนี้คือรูปาวจรกุศลเจตนาห้าเป็นตัวกําหนดเพราะฉะนั้นอวิชากับตันหาเป็นเหมือนกับอะไรแม่ กรมเหมือนกับพ่อเกิดมาก็ต้องอาศัยอาหารเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมพี่เลี้ยงก็สร้างขึ้นดังนั้นชีวิตที่เป็นไปในวัฏฏารักษณะนี้ความที่รู้ปัจจัยเป็นปัจจัยแก่โดยขณะซึ่งโดยขณะหมายถึงขณะที่เกิดเน้นที่กรรมไมรุปเป็นต้นเห็นะหมการพิจารณาตรงนี้ที่เรียกว่ารู้ความเกิดโดยขณะในที่นี้เนี่ยหมายถึงขณะแบบสัมปติ เพราะว่าชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยอาหารเนื่องด้วยอุตูเนื่องด้วยจิตตชรูปแล้วก็ถ้าสิ้นปัจจัยเหล่าเหล่านี้เหล่านี้รูปเหล่านี้ก็จะสิ้นไปเสื่อไปเพราะว่าการพิจารณาเนี่ยต้องให้สัมพันธ์กันเป็นอย่างมากเลยนะว่ากรรมและผลของกรรมนี้ต้องสัมพันธ์กันอย่างเช่นว่ารูปในปัจจุบันเกิดเพราะกรรมนาดิตกรรมในปัจจุบันจะมีผลต่อรูปต่อไปใน อนาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าพุทธพจน์ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าท่านจงละกรรมในอดีตซะให้ละกรรมในอดีตสองไม่หวังขันต่อไปในอนาคตแล้วท่านไม่ยึดถือในท่ามฟังท่านจักสงบราคา่าโทสะและโมหะเที่ยวไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุเป็นผลนะเพราะว่าการรู้โดยปัจจัยเรียกว่ารู้โดย สัจะนั่นคือสมุทัยสัจจะการรู้โดยขณะคือรู้ตัวทุกขสัจจะเนี่ยนะถ้ากล่าวโดยสัจจะซึ่งทุกขกับสมุทัยเนี่ยเป็นไปอย่างสืบเนื่องการเป็นไปอย่างนี้เ้าเรียกว่าประวัติเนี่ยนะภาษาไทยเรียกว่าประวัติปรวัตะก็คือประวัติหมายถึงทุกขสัจเนี่ยนะปรวัตะทุกขสัจที่เป็นไปอย่างสืบเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะที่ไหลไปแบบนี้แหละทีนี้ถามว่าอุบายไรหนอที่จะทําให้ให้ให้ไม่ต้องสร้างแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะซึ่งรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างเนี่ยการรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือรู้โดยขณะการรู้เป็นอนัตตาคือรู้ตามตัวปัจจัยเนี่ยนะอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อถอดฉันทราคะตัวที่นําเกิดในภพใหม่ใะตัวหลักเนี่ยนะตัวหลักหลกที่นําเกิดในภพใหม่นั้นคือ ตัวที่ที่เป็นเครื่องวัดนะคือตัวที่ยังวิ ป, ปรลาสในสิ่งเหล่านี้ที่สําคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเที่ยงสุขงามอัตาอยี่ยนะเพั้นตัวที่ที่ที่เป็นเตือนว่าพบใหม่ยังมีคืออย่างนี้คือเข้าวิวิ ป, ปรลาสในในกองทุกเหล่านี้นี่เองเพะนั้นเห็นอย่างไรจึงจะเห็นเพื่อจะละคลายวิ ป, ปรลาสเหล่านี้ก็คือเห็นโดยความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไป เมื่อรู้ความสัมพันธ์ความเกิดดับโดยเหตุผลอย่างนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้ารู้ว่าปัจจัยดับถ้าดับโดยปัจจัยอันนี้เป็นสัจจะอะไรนีโรสสัจจะนะถ้าปัจจัยดับวัตทุกก็เป็นอันดับนี้ตัวปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดคืออวิชากับปัญหารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจริงจะสิน้นอวิชาสิน้นปัญหาก็เรียกว่ารู้เห็นความเกิดและ ความดับความเกิดก็เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทความดับก็คือถ้าไม่มีตัณหาในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะตัดฉันทราคะที่เราเคยฟังกันว่าผู้ที่รู้เหตุเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ที่รู้ความดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อัศทะาาและอธีนวะของตาหูจมูกลิ้นกายใจจักตัดฉันทราคะใน ตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ที่ตัดฉันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จัะทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะที่จะรู้เห็นว่าอะจะตัดฉันทราคาได้จริงๆก็เนื่องจากเห็นว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกขอสุภะแล้วก็อนัตตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันก็ามานาสิการเหล่านี้จนกว่าจะหลีกออกจากความสําคัญว่าเที่ยงความสําคัญว่าสุขความสําคัญว่างามสําคัญว่าเป็น อาตาแล้วน้อมจิตไปหาอาสังขตาธาตุเนี่ยนะคือการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเพื่อเป็นอุบายที่จะออกไปไปรับอารมณ์คืออสังขตาธาตุเนี่ยนะจะได้น้อมจิตไปหาอาสังขตาธาตุทีนี้ผู้ที่จะวิธีเริ่มมนานสิการที่จะไปหาอาสังขตาธาตุก็คือตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งตีรณาปริญญาเนี่รทมาบริบูรณ์นะนะแต่อันนี้เป็นการอย่างเห็นในในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าตามเห็นความเสื่อมสลายไปของชีวิตของแต่ละอย่างแต่ละอย่างทั้งโดยกรมมชั่รูปอาหารชรูปวุตุชัรูปจิตตชัรูปอันนี้ในแง่รูปขันและในแง่านามขันเนี่ยนะทั้งโดยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันตามเห็นแต่ความสิ้นไปแล้วก็ เสื่อมไปซึ่งโดยปัจจัยนี่แม่นยำมากแล้วแต่การเห็นโดยความสิ้นไปเสื่อมไปตรงนี้เพื่อมุ่งถ่ายถอนวิปลาสจิตจะได้โอนไปหาอาสังขตาภาพได้เออตรงนี้ยังไม่ครบอริยสัจสี่ครับขาดมัคไปเห็นยังไงครับเป็นมัคก็มัคก็คือตัวที่เข้าไปพิจารณาทำปริญญาในทุกข์ไปละสมุ ท, ทยัยตัวที่ไปทานิโรธให้แจ้งนั่นแหละเป็นเป็นมัคเนี่ยนะ คือตัวทุกขสั์ซึ่งเป็นธรรมะคือปริญญาธรรมสมุทัยศัสตร์เป็นตหาตปรธรรมนิโรธศัสตร์ก็ควรทำให้แจ้งเอาอะไรไปทำอย่างที่ว่าละ่ะนั่นแหละเป็นกิจของมรรคละัะอันนี้เห็นความเกิดโดยขณะรวมทั้งความดับด้วยหรบเป่าถ้าเป็นทุกขสัจคำว่าความเกิดโดยขณะกับความดับโดยขณะพวกนี้เป็นทุกขสัจหมดเลยก็มหมายถึงอ น, นิจจังกับ ความเป็นอนิจจังกับความเป็นทุกขังเนี่ยนะก็นี้ก็เข้าในบทว่าชาติปิทุขขาชราปิทุกขามรนาปติทุกข์งังเนี่ยนะแต่ว่าทุกขั้างหลายเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดเออตรงนี้เป็นอการเห็นอริยสัจสี่โดยโลกิยะเรียกว่าโลกิย ะ, ะอริยสัจเป็นอุทยบุญญาอุทยบุญญานั้นจะรู้โลกิยะอริยสัจแต่ก็คือเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นสัจจะอะไรนนะ เริ่มเมื่อเห็นชัดเนี่ยนะส่วนที่เหลือทํายังไงที่จะละคลายวิ ป, ปลาสจากทุกขสัพเพแล้วก็หลีกจิตออกจากทุกขสัพเพให้ได้ถ้าถ้าปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นนิพพิทาวิราคะขึ้นไปนี้ยังคงมีอารมณ์หรือว่ามีปัญญาที่รู้อริยสัจสี่อย่างนี้ตลอดไหมครัคือหลักการต้องอนุวัตตามหลักอริยสัจ ต, ตลอดจะพิจารณากว้า ง, วางขวางขนาดไหนก็ตาม กฎเกณฑ์ต้องอนุวัตตามหลักอริยสัจเพราะว่าจุดมุ่งหมายการพิจารณาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะมันจึงต้องอนุวัตไปหาอริยสัจโดยที่สุดเนี่ยนะซึ่งอย่างการตามเห็นตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปก็เพื่อละนิจเจ้วิปลาสไอตัวนิจจวิปลาสนั่แหละคือตัวสมุทัย คือตัวสําคัญว่าเที่ยงว่าสุกว่างามว่ายั่งยืนว่าอัตตาตัวนั้นแหละคือสมุทัยสัตว์เนี่ยะเพราะฉะนั้นการตามเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรียบปลนไปเป็นธรรมดาอันนั้นแหละเป็นอุบายที่จะถ่ายถอนสมุทัยสัตว์ทีนี้การที่จะถ่ายถอนสมุทัยสัตว์ได้อย่างแท้จริงเมื่อต่อมีอสังขตภาพเป็นอารมณ์เมื่อจิตหนีกไปหาอาสังขตภาพได้เมื่อไหร่เรียกว่าน้องไปหาพระนิพพานได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงจะ พ้นดินแดนแห่งมัดพ้นดินแดนแห่งวิปลาสเพราะอุปาทานขันห้าถือว่าอยู่ในดินแดนแห่งวิปลาสรำหน้าห้าสิบสามอีกครั้งหนึ่งนะว่าปัญญาในการตามเห็นความแปรไปคือความดับไปแห่งธรรมะคือเบญจขันในภายในที่เป็นปัจจุบันด้วยอน้าสัมส ต, ติอันนี้เห็นความเสื่อมโดยปัจจุบันหน้าสันตติ จิตแม้กำหนดความเกิดขึ้นว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ทั้นเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปดังนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในความแตกดับไปเหมือนกันตรงบาลีท่านเน้นไปที่วิปรินามานุปัสนาเออวิปรินามานุปัสเนปัญญาเนี่ยนะปัญญาที่ตามเห็นด้วยความแปรไปเนี่ยเพราะนนั้คําว่าเห็นด้วยความแปรไปไหมคนที่จะเห็นความเสื่อมจริงๆก็ต้องเห็นความเกิดซะก่อนเมื่อเห็นความเกิดจริงจะเห็นความเสื่อมเพราะฉะนั้น ถ้าว่าให้เต็มก็คือเห็นความเกิดแล้วก็เห็นความดับไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าตั้งอยู่ในความแตกดับไปเพราะฉะนั้นเพิงทราบว่าการเกิดขึ้นแม้ไม่ได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นอันกล่าวแล้วเหมือนกันอันนั้กล่าวแต่ความเสื่อมเธอเขาบอกว่าคนนั้นตายแล้วก็แสดงว่าเขาเกิดมาก่อนเขาจึงตายใช่ไหมก็ไม่มีใครไปพูดเต็มทีเดียวหรอกอยากก่างนั้นนะเพราะฉะนั้น ท, ท, ที่ตายนี่หมายถึงว่าผ่านการเกิดมาแล้วจึงตายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกัน ถ้าตามเห็นความแปรไปเสื่อมไปแปรปรวนไปก็แสดงว่าเห็นความเกิดมาแล้วนะอีกอย่างหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งปัจจุบันธรรมทั้งหลายย่อมเป็นอันกล่าวแล้วด้วยทัศนะเพราะสําเร็จการเห็นความเกิดขึ้นคือถ้าเห็นความเกิดขึ้นในสิ่งที่เออขอไปถ้าเห็นความเสื่อมไปในสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็แสดงว่าเห็นความเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเหมือนกันว่าปัจจุบันนั้นธรรมทั้งหลายเกิดได้อย่างไร เช่นว่าถ้าเห็นตา ต, ตาของเราเนี่ยนะสิ้นไปสนเสื่อมไปก็ต้องเห็นว่าตาเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยอย่างไรถ้าเห็นตาเนี่ยโดยความเกิดขึ้นก็จะเห็นตานี่โดยความเสื่อมไปได้จริงอยู่เว้นอุทยะคือการเกิดเสียความเกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายก็ย่อมไม่สำเร็จคือถ้าไม่มีความเกิดนะธรรมะทั้งหลายมันจะดารงอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยอาศัยการเกิดเป็นเบื้องต้น เพราะฉะนั้นเมื่อไม่แม้เมื่อไม่กล่าวว่าปัญญาในการตามเห็นความเกิดขึ้นและความแปรไปแห่งปัจจุบันธรรมทั้งหลายก็พิ่งทราบเห็นว่าเป็นอันกล่าวแล้วเหมือนกันถึงไม่กล่าวความเกิดกล่าวเฉพาะความเสื่อมก็ชื่อว่าได้กล่าวความเกิดแล้วกุทยพ ย, ทยานุปัสนายานย่อมเกิดแก่พระโยคีบุคคลผู้บรรลุสัมมาสนญาณตามที่กล่าวแล้วในลำดับว่า ก็การเห็นความเกิดขึ้นย่อมสำเร็จเพราะคำนั้นกำหนดตามพระบาลีว่าอุทยพยานุปัสเนยานังก็คือปัญญาในการตามเห็นการเกิดและความดับไปเนี่ยนะเพราะว่าโดยศัพท์โดยโดยยานะชื่อว่าอุทยพยานุปัสนาอุทยะบวกพย์บวกวยะบวกอนุปัสนาเนี่ยนะ